ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพระพรหมทัตตาเทระโดยสมณาทรา์ซึงซ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28เมษายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้ำบัด น, นี้ค่ะ วัดพระอาหารหันต์อีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระพรหมทั ต, ตเถระพระพรหมทั ต, ตเถระนี้อดีตชาติก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจึงมีบุญกุศลสั่งสมมาจากชาตินั้นๆครั้นถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมพระเถระนี้ได้กาเนิดเป็น โอรสของพระเจ้าประสเสนที่โกศลแห่งนครสาวัตถีมีพระนามว่าพรหมทัตตะไม่ใช่พรหมทัตเฉยๆนะอันนี้พรหมทัตตะเมือ่อพรหมทัตกุมารพรหมทัตตะกุมารเติบโตเจริญไวแล้วศึกษาในศิลปะและวิชาการต่างๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นถึงพุทธานุภาพของพระาศาสดา ในคราวที่ฉลองพระเชตวันมหาวิหารบังเกิดจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ขอบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอนง่ายดีเนาะก็ในนี้ไม่บอกนะว่าเห็นพุทธานุภาพอะไรของพระพุทธเจ้าพระมาก็จาไม่ได้ไม่รู้ว่าพทธเจ้าแสดงอะไรที่เชตวันมหาวิหาร อันนี้นบอกว่าในคราวที่ฉลองฉลองประเชตวันฉลองพระวิหารนั่นเองคุยง่ายนะจำไม่ได้ว่าประวัติเป็นมาอย่างไงแต่ให้เห็นว่าเนี่ยพอได้เห็นพุทธานุภาพไม่รู้นะแต่จริงๆถ้าโดยปกติของพระ เ, เจ้าส่วนใหญ่จะแสดงอนุภาพแบบไหนฮนะ อส่วนใหญ่แสดงอนุภาพหรือว่าปฏิหารนะซึ่งปฏิหารมีสามอย่างอาอะไรบ้างอธิ esan านี่คืออะไรมีมีปฏิหารแบบไหนอเทศนา n าปฏิหาราดักรู้ใจทายใจคนอื่นได้เดาใจได้เลยเนี่ยเห็นแต่ไกลก็รู้แล้วคิดอะไรรู้นะรู้นะคิดอะไร เพราะฉะนั้นอันนี้เนี้ยเขาเรียกว่าพวกพวกที่มีมีฤทธิ์ที่สามารถจะทายใจคนอื่นได้อันนี้หมายถึงว่าต้องมีฤทธิ์จริงๆนะคือทายใจคนอื่นได้ถูกต้องหมายถึงว่ารู้เลยว่าคนนั้นกําลังนึกคิดอะไรไม่ใช่ประเภทหมอเดาหมอดูอะไรทั่วๆไปที่นึกเดาๆาเอาผิดผิดถูกถูกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่เป็นปาฏิหารอาอันนั้นมั่ว ไม่ใช่ปฏิหารอะไรถ้าปฏิหารนี่หมายถึงว่าต้องต้องมีฤทธิ์ที่จะทายใจได้จริงๆเลยแล้วก็ทายได้ถูกต้องถึงจะเรียกว่าปฏิหารแต่ปฏิหารแบบนี้ผู้เจ้าท่านบอกว่าอะไรเบือ่อละอาออหน่าเกียดชังอย่างยิ่งนะท่านไม่ยกย่องท่านไม่สรรเสริญเพรา ะ, ะนั้นต่อให้มีฤทธิ์ที่จะมีปฏิหารอย่างนี้จริงๆท่านก็ไม่ได้ให้ คุณค่าไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเลยอ่าส่วนอีกอย่างหนึ่งอะไรอิทธิปฏิหารฤทธิแบบเหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อ่าอะไรอีกทำคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้อ่าทะลุกำแพงก็ได้อ่าทะลุผ่านภูเขาก็ได้อานั่นแหละนะเป็นฤทธิ เป็นฤทิ์ที่เราเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริ์ซึ่งอย่างนี้เนี่ยพูดอย่างนี้แสดงว่ามีได้จริงเหมือนกันนะถ้าใครใครมีฤทธิ์จริงก็ทำได้จริงเหมือนกันน ะ, ะปาฏิหาริ์แบบนี้อย่านึกว่ามันไม่มีมันมีจริงๆแต่อย่างนี้พระเจ้าท่านก็บอกว่าเบือ่อละอานะหน่ารังเกียจไม่ไม่ถ้าสมมติว่ามีก็ก็ห้าม ไม่ต้องมาแสดงไม่ต้องมาอะไรอ่ะมาทำให้คนอื่นเขาดูเขาเห็ น, หนสองอย่างคืออิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปฏิหารวิ่อย่างเดียวที่ท่านถือว่าแสดงได้แล้วก็ให้แสดงคืออนุสาสนีปฏิหารเพราะนั้นพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าในที่นี้คิดว่าก็น่าจะเป็นอนุสาสนีปฏิหาร ที่พอเทศแสดงทำไปแล้วปรากฏว่าผู้ที่ฟังทำปั๊บเป็นไงไามา่รู้ปั๊บเลยเหรอนี่มันเร็วเกินไปหรือเปล่าเอาว่าพอฟังทำปุ๊บแล้วไงโอ้โหเกิดจิตศรัทธาเรื่้มใสเหมือนกับเนี่ยพรหมทัตตะกุมาเนี่ยฟังเท่านั้นเองโอ้โหเกิดจิตศรัทธาเรื่อมสายเลยอย่างแรงกล้าขอบวชเลยอย่างเงี้ยพอบวชแล้ว ภิกษุกลายเป็นภิกษุแล้วนะภิกษุพรหมทัตตามุ่งมั่นในการปติธรรมเพียรบําเพิญในวิปัสสนากรรมฐานพวกเราเนี่ยได้ยินบ่อยๆนะวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาหมายถึงอะไรวิปัสสนาฮะพูดกันบ่อยเห็นบางคนพวกเราก็พูดกันนี่นี่ น, น, นี่ทำอะไรเนี่ย ไปวิปัสสนามะเนอา้าว ม, มันต้องมีส่วนของความคิดแหละไอ้วิปัสนาเนี่ยเนก็ถูกแล้วแหละก็ใครควรก็กคิดก็นึกก็อะไรแล้วอย่างงั้นเหรอเรียกว่าวิปัสนาแค่คิดเหรอนะ อ, อบรมจิตอบรมยังไง ให้พยายามตัดกิเลสสิ่งไหนที่เป็นกิเลสไม่ดีอ่ะอ่ะ <c oughs> แหมนันเอาประจันบาลเลยเอมมันจะเข้ากับวิปัสสนาหรือเปล่า <c oughs> ะ, <c oughs> ะวิปัสสนามันก็คือการที่เราเนี่ยคิดพิจารณ า, นาในทุกในกิเลสของเราต่างๆที่มันมีอยู่นั่นแหละ <c oughs> น่ก็เอามาแยกแยะสิ เอามาพิจารณาแล้วก็หาสาเหตุของมันหาวิธีการดับหาวิธีการที่จะลดละล้างเลิกมันอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่าวิปัสนาตอนนี้มันมีคำว่ากรรมฐานเข้าไปด้วยเป็นยังไงกรรมฐาน ก, ก็คนก็พูดกันบ่อยเหมือนกันนะกรรมฐานนะคือที่ตั้งตั้งอะไร ที่ตั้งถ้วยที่ตั้งอะไรเราอย่างนี้สิเราพยายามนะคำว่าวิวปัสสนามันก็เหมือนกับบางทีเราพูดบ่อยอะวิปัสสนาจอแก้วได้ยินอยู่ใช่ไหมเออจริงๆมันน่นาจะนึกไดออออออก็ดูหนังจําได้ไหมมีกี่ข้อที่พ่อท่านตั้งเอาไว้วิปัสสนาจอแก้วเ อ, เ, อเอาขอแรกก่อนสิอะไรเอาเกิดอริยญาณ ทำการปฏิบัติอาจพลังกุศลฝึกฝนโลกัะวิธูเพิ่มพระูสูตรน่าจะมีอยู่สข้อเพราะเนี่ยเราพูดกันบ่อยว่าอาถึงเวลาแล้วหโมง6โมงเย็นริปั ส, สนาจอแก้วก็หมายถึงอะไรเนี่ยเรามาดูหนังดูละครอะไรก็แล้วแต่แต่เราดูแล้วเนี่ยรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักไตรตรองเออนี่ทุกข์นะเอออันนี้กิเลสนะ เนี่ยอันนี้โกรธนะอันนี้โลภนะอันนี้หลงนะเนี่ยเรารู้จักแยกแยะอะไรต่างๆน่ะนะนาวีปัสสนาตอนนี้กรร ม, มาฐานเนะ่ยเราจะได้ยินบ่อยเขาบอกว่าไปอะไรอ่าไปเข้ากรรมฐานกรรมนี่แปลว่าอะไรอ่าการกระทำนะฐานอ่ะฐานนะพ่อท่านเคย เคยใช้คำที่บางทีอ่ะท่านก็ใช้คำที่แปลมาให้มันใกล้เคียงง่ายๆที่เราพอที่จะจดจำแต่จะมาจำสํานวนไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอาตมาจำจาได้อย่างอาตมาจำเท่านั้นนะ่ยว่าเออเนี่ยก็กรรมล้วก็พอรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำาะส่วนฐานนี่ก็ฐานนะคือความพอดีพอเหมาะน ะ, ะกับฐานกับของคนคนนั้นกับฐานะของคนคนนั้น มั น, ก, นกรรมฐานก็คือการกระทําที่มันเหมาะสมกับคนคนนั้นแตนี้มามา ร, รวมกับวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาก็กิดพิจารณาใช่ไหมแยกแยะกิเลสรู้กิเลสเสร็จแล้วเราก็หาทางที่จะจัดการมันจะใช้วิธีไหนอจัดการมันให้ตรงกับฐานะที่เราเนี่ยจะมีความสามารถหรือเราสามารถที่จะจัดการมันได้ เพราะว่าถ้าแค่ความคิดนี่คิดไปกว้างไกลขนาดไหนก็ได้คิดจนเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้แล้วก็เยอะด้วยคิดจนเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเยอะแต่พอทำจริงๆเนี่ยกรรมฐานเนี่ยจริงๆอะ่ะคนนั้นอยู่ฐานะไหนอะ่ะีดความสามารถขนาดไหนเพราะนั้นพอเราวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องคิดพิจารณาแล้วก็ลดละล้างกิเลสให้มันเหมาะสมกับฐานะของเราที่เราเนี่ยจะสามารถ สู้กับกิเลนนั้นได้หรือจัดการกับกิเลนนั้นได้นะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นภิกษุพรมทัตตะก็มุ่งมั่นเนี่ยในการบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะพิจารณากิเลสเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะจัดการยังไงกระทั่งบรรลุธรรมเนี่ ย, ยก็ฝึกไปเรื่อยจน ก, กระทั่งบรรลุธรรมมีอภิน ญ, ญาหก อภินาหนะอภินยานี่แปลว่าความรู้หรือว่าความสามารถอันยิ่งนะอันอันวิเศษอันยอดนะเขาเรียกว่าอภินยาพอบรรลุแล้วได้อภิญญาหอภินยาหก็คือหนึ่งมีอิทธิวิธีนะคือคืออภินยาหกก็มีอยู่6อย่างนะหนึ่งอิทธิวิธีก็บอกไปแล้วถ้าเป็นอย่างของพุทธก็คือคราวนี้อิทธิวิธีคือมีฤทธิ์อะไร มีฤทธิ์ที่จะสู้กับอะไรได้ออมีฤทธิ์ที่สู้กิเลสได้อย่างเช่นคราวนี้นะถ้าเขาบอกว่าหายตัวได้หรือว่าดำดินได้หรือว่าเหาะได้ถ้าเป็นวิธีอย่างพุทธเนี่ยเหาะได้ไหมควับว่างไงดำดินได้ไหมความว่างไงหายตัวได้อืมอ่ะเรารู้แล้วนี่ยเรามีฤทธิ์ที่จะสู้กิเลสของเราได้เนี่ยอ่าพอเราเจอกิเลสเป็นไงเหาะได้ก็คือ ออยู่เหนือเอาชนะกิเลสให้ได้อย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปอย่าไปเป็นขี้ข้ามันนะต้องเป็นเจ้านายมันต้องอยู่เหนือมันเนี่ยแล้วก็หาวิธีการแล้วก็จัดการแหมมีฤทธิ์เก่งจนเรียกว่าแหมเหาะลอยอยู่เหนือกิเลสได้อืถ้าดำดินได้อา้าวอ่ะอ๋อหนีเลยเหรอแหมหนีกิเลสมันจะไปเก่งอะไรละ่ะดำดินได้เอ้าเอ า, เอาถ้าถ้า บอกว่าถ้าดำดินได้ถือว่าดินในที่นี้เป็นกิเลสแหละเอาแสดงว่าอะไรไม่หนีกิเลสต่างหากเราเราสามารถที่จะอยู่กิเลสได้แทรกไปในกิเลสได้เลยช้ำแลกก็เรียกว่าช้ำแลกกิเลสเข้าไปได้นั่นเหมือนเหมือนกับเราช้ำแลกดินเนี่ยเนี่ยมุดดินเข้าไปก็ได้ดำดินจากที่นี้ไปโผล่ที่โ น, น้นใช่ไหมทะลุเลยพูดง่ายๆว่าทะลุกิเลสไปก็ได้ใช่ไหมกิเลสมันไม่สามารถที่จะแบบว่ามาต้านทานหรือว่ามาอะไรอ่ะ บังเราหรือว่ามากั้นเรามาขวางเราไว้ได้กิเลสขวางเราไม่อยู่นะเราสามารถดำทะลุไปได้ก็บอกว่าอะไรอ่ะพุดลงในดินก็ได้พุดลงในน้ําก็ได้ก็หมายถึงว่ากิเลสมันก็มีหลายลักษณะใช่ไหมถ้ากิเลสในน้ําเป็นไงมาแบบประเภทอะไรในน้ําเนี่ยกิเลสอะไรนะอ๋อกิเลสเย็นๆอ่นนะแม <laughs> กิเลสนุ่มๆสิแม <laughs> อกิเลสนุ่มๆ น, นั่นแหละหวานๆมาเช น, นะ อ่าต้องรู้ให้ทันมีปั ส, สนากรรมาฐานให้ดีว่าเอ๊ะตอนนี้กิเลสมาในรูปของเทพบุตรมารมาในรูปวโหหวานจอยเย็นเก็บมาเลยนะอ๋อเพราะนั้นเจอแล้วต้องต้องทะลุให้ได้นะอย่าให้กิเลสหวานหวานมาหลอกเราได้อย่าให้หน้าหวานหวานตาคมคมจะบูกโดงโดงหรือว่าอะไรปากลูกกระจับอะไรนะมาหลอกเราได้อย่าให้เป็นอย่างนั้น นั่นแหละอ่ะแล้วทามาแบบดินนะเขานีอดินนี่แข็งขึ้นมากกว่าน้ำหน่อยแล้วนะโอ้โหอันนั้นนน่าจะไฟนะแหมสายโทรศัพท์มันน่าจะไฟนะ อ, ะอะไรนะดิ น, นอ่ะอเจอคนตื้อเนาะ อดทนรอคอยโอ้โหเจอคนตึ้อจะผ่านดานไหวไหมเนี่ยอ่าแล้วถ้าเจอประเภทหินหนาจะจะดำหินไหวปะเนี่ยเจอหินนี่ต้องทะลุ ก, กำแพงทะลุป้าผนังหละอันนี้เนี่ยเจอกิเลศแบบหินจริงๆเลยเงี้ยข้อนี้ชักยากกล้วสิต้องใช้ความลำ เ, เจอความลำบากเจอความอดทน ไหวไหมทนสู้กัดีเลตไหวไหมอย่างอย่างเช่นบางคนเข้ามาแย่เรามากวนเราครั้งที่หนึ่งนะพอทนได้อพอเขามาครั้งที่สองอ่ชักเฉยเฉยพอครั้งที่สามอาจจะตูมเลยคนนี้ <c oughs> อย่างเงี้ยทนไหวหรือเปล่านะเพราะงั้นเนี่ยแหละเนี่ยคือเรามีอิทธิ นะอิทธิวิธีคือสามารถที่จะรู้จากกิเลสแล้วก็สามารถที่จะชำแรกะกิเลสได้นะอันนี้เป็นเป็นข้อที่1ของอภิญญา6นะมีมีฤทธ์สู้กิเลสได้2คือมีทิพโสโตรทิพโสโตรก็คื อ, อมีหูทิพเป็นยังไงหูทิพบอกบ่อยๆแล้วหูทิพหูทิพไม่ใช่หูยาว ฟังได้ยินไกลๆนะฮ <c oughs> ะหูทิพย์ก็ฟังเสียหนึ่ง <c oughs> ชั้นสองมันเป็นยังไง <c oughs> อ่ะอ้าวโดยเฉพาะไม่ต้องไปฟังคนอื่นเขาฟังเสียงเราเนี่แหละที่เป็นคนพูดเนี่ยแหละนะฟังเสียงเราเองมาพูดไปตอนนี้เป็นไงพูดไปด้วยลิศยาหรือเปล่าพูดไปด้วยความโกรธหรือเปล่าพูดไปด้วยความ อิดอาจขัดเคียงใจหรือเปล่าพูดไปแบบโลภหรือเปล่านะกำลังอยากจะกินพอดีหรือเปล่าเนี่ยต้องฟังเสียงสองเราให้ออกบางทีเนี่ยไปพูดเรียบเรียบเกียงเกียงโอ้แหมทำให้นี่ทําสวยจังเลยนะโอ้โหทอดดูกรอบดีนะเอาละเรียบเรียบเกียงเกียงนะอ่าอย่างเงี้ยฟังเสียงทันหรือเปล่าว่าตอนนี้ไปละไปละเริ่มละเริ่มที่จะ กิเลตมันอยากจะกินแหละนะตัวโลภตัวอยากจะกินเกิดขึ้นเนี่ยเสียงสองของเราฟังทันไหมอย่างเงี้ยมีหูทิพย์อย่าไปคิดอยู่แต่หูทิพย์นี่เที่ยวไปสอดลูสอดเห็นเ <c oughs> ที่ยวเอาหูไปตามเออะไรนะลูกุญแจหรือว่าตามหน้าต่างเพื่อที่จะได้รับรู้ทั่วไปแหมใครกุยอะไรใครอะไรรู้ไปหมดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหูทิพย์นี่หมายถึง หมายถึงหูที่สามารถแยกแยะ ก, ก, กิเลสได้โดยเฉพาะกิเลสของเราเอาสามมีเจโตปริยญาณาเอาละคราวนี้มีอะไรเจโตปริยญาณคาว่าเจโตอใจละเจโตนี่คือจิตนั่นเองเอปริยญาณเอายา น, าายาน ก, ก็เป็นความรู้ใช่ไหมเป็น อ่ตอนนี้คือบางทีเราไม่ต้องไปรู้ทุกตัวหรอกเดี๋ยวเราว า, างตัวปั๊บเราพอจะรู้ละเพอ๋อเพราะว่าบาลีเราไม่ได้ไปเรียนมาแต่ไหนแต่ไรเพราะนั้นบางคำที่เราพอจะรู้เนี่ยเราพอจะคือวิธีจาอะ่ะอันนี้วิธีจานะครับพอมีเจโตเข้าไปมีป ร, ริญานเข้าไปล้วก็อ๋อหมายถึงรู้อะไรรู้อะไรเออ รู้จิตก็รู้อะไรแหละรู้จิตเนี่ยข้อสำคัญออคือรู้ใจที่ที่มีกิเลสบอกแล้วโดยเฉพาะอของเรานะแต่โดยทั่วทั่วไปเนี่ยบางทีเ็าบอกมีเจโตปริยญาณนี่คื อ, อ, อชอบรู้ใจคนอื่นเขาแต่จริงๆมันควรจะรู้ใจเราเองเนี่ยก่อนว่าใจเรามันเป็นยังไงนะสามารถที่จะรู้ลงไปได้ลึกๆเลยโอ้โหเนะี่ยอย่างที่แบบว่าเหมือนกับเสียงสองอย่างนั้น แต่อันนี้มันไม่ใช่แค่เสียงรู้แม้ความคิดของเราความคิดของเรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้คิดกุศลหรือคิดอกุศลนะต้องรู้เลยเนี่ยมีเจโตปริยญาณ น, นะอันนี้เป็นเป็นเป็นฤทธ์เป็ น, ป น, ป น, ปนความวิเศษนะข้อที่สมส่วนข้อที่สี่ก็ปุเพนิวาส า, านุสติญาณ ภาษาทั่วทวไปเนี่ยเขาใช้คําว่าระลึกชาติได้ระลึกชาติเอางี้พวกเราเข้าใจง่ายๆพวกเราเข้าใจว่ายังไงระลึกชาติไดนะ้แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยคําว่าระลึกชาติของเขาได้เนี่ยนู่นเลยเขาหมายถึงตัวเดียวเลยคือคือชาติที่แล้วแล้วมาของเราที่เราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาเนี่ยนะนั่นน่ะน่ เขาหมายถึงอย่างนั้นเลยอย่างเดียวเลยถ้าโดยทั่วๆไปนะแต่โดยเราเนี่ยซึ่งเป็นปฏิบัติธรรมบอกแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้ชาติโน้นเลยเบุเพนิวาสานุสติญาณของาศาสนาพูดจริงๆเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยเราสามารถทบทวนสามารถระลึกรู้ถอยหลังไปได้เนี่ยว่าเมื่อนาทีที่แล้วเป็นยังไงเมื่อชั่วโมงที่แล้วเป็นยังไงเมื่อวันที่แล้วเป็นยังไง เมื่อเดือนที่แล้วเป็นยังไงเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงสามารถระลึกได้ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยถอยหลังไปเรื่อยจริงๆคนที่ยิ่งระลึกได้ไวเนี่ยยิ่งเก่งนะไม่ใช่คนระลึกได้ไกลนะเก่งที่ถูกต้องแนละ้วเนี่ยคนระลึกได้ใกล้นี่แหละยิ่งเก่งยิ่งยิ่งเข้าพุทธจริงๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแหละมันจับจิตไม่ทันคิดอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาไม่ทันอนะ่ะ บางทีไม่ทันรู้ตัวเลยโอ้โหหน้าเขาเพี้ยไปละโอ้โหกว่าจะระลึกได้นะว่าโอ้โหตายโกรธแล้วนี่ไม่ชอบใจแล้วนี่นะจอกระทั่งมันสั่งยกมือตบมันจับไม่ทันเลยนะมันเพี้ยเข้าไปแล้วทันทีเลยเนี่ยมันระลึกไม่ทันนะส่วนใหญ่เนี่ยเพราะนั้นคนที่ยิ่งระลึกได้เร็วที่สุดใกล้ปัจจุบันที่สุดจนระลึกมาทันเลยทันปัจจุบันเลยนั่นแหละ คือผู้ที่บุกเพนิวาสานุสติยานได้ยอดเยี่ยมที่สุดคุณไม่รู้เลยว่าชาติที่แล้วคุณเป็นอะไรมีปัญหาไหมเนี่ยเราลึกไม่ได้เลยว่าชาติที่แล้วอะ่ะตายไปแล้วหรือว่าไปเกิดเป็นอะไรมามาจนมาถึงชาตินี้คุณระลึกไม่ได้เลยคุณมีปัญหาไหมออแต่ถ้าคุณตอนนี้โกรธแล้วก็ตบหน้าเขาเปียงไปแล้วมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหา เพราะนั้นเนี่ย ถ, ถ้าที่ถูกต้องที่สุดแล้วของพุทธแล้วน่าต้องนึกให้ได้ถึงปัจจุบันให้เร็วที่สุดนี่คือการบุพเพที่ถูกต้องที่เข้ากระแสของพุทธที่สุดวันถ้าใครเข้าใจบุพเพนิวาสานุสติญาอย่างนี้ได้นั่นแหละน่าถึงจะ ป, ปฏิบัติธรรมและได้ผลไม่ใช่เลยคราวนี้ถ้าไปเข้าใจอย่างที่เขาโอ้โหนึกพยายามแต่ละวันแต่วันว น, นึกย้อนถอยหลังไปเรื่อยถอยไปให้ไกลที่สุดที่จะถอยได้ ซึ่งบางทีมันยากและโดยความเป็นจริงสัญญาเนี่ยความทรงจําของคนเรามันลืมได้ไหมมันลืมได้สัญญาก็ไม่เทีย่ยงลืมได้แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยลืมเป็นไง <laughs> ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าลืมเนี่ยลืมปัจจุบันนีแหละเอาของวางปุ๊บก็ลืมปุ๊บ <laughs> อัลไซเมอร์ <laughs> <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เล่นงานแล้วสแสดงว่าสมองสมองฟอร์แน่กว่านี้ มสมองเสื่อมแน่นะเพราะนั้นเข้าใจาให้ถูกต้องว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยหน้าหมายความว่ายังไงอ่าห้าทิพปปจักขุเอาละคราวนี้เป็นไงทิพปปจักขุอ่าตาทิพตาทิพก็คือตาทิพคืออะไรช่วยอธิบายหน่อยสิเคือยังไงมองอะไรได้ มองเห็นกิเลสมองเห็นกิเลสเนี่ยเนี่ยเนี่ยขออภัยสมมุติสมมุติชี้แบงก์บนดีกว่าสมมุติว่าเนี่ยเเนี่ยดูซิเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยดูซิโอ้โหทำหน้าทำตาไม่ไม่ดีเลยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยอย่างนี้ใช่ป่ะตาทิพนะมันก็ใช่เหมือนกันเน่ะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาบอกว่าตาทิพย์เนี่ยเขาเห็นอะไรที่เขาบอกว่าตาทิพย์โอ้โหเขามองทะลุกำแพงเลยนะให้ให้คนไปยืนอยู่หลังกำแพงเขามองเห็นเลยนะว่าใครยืนอยู่หลังกำแพงตาแบบเอ็กซเรย์เลยโดยทั่วไปเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ตาทิพย์ของผู้จริงๆเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเราสามารถที่จะมองทะลุกิเลสได้เห็นเลยเห็นกิเลสเลย นะโดยเฉพาะบอกแล้วว่ากิเลสของเราเองอันนี้จําไว้ให้แม่นๆมน ม, มากิเลสของเราเองนะมองให้เห็นเพราะส่วนใหญ่มันชอบมองเห็นกิเลสคนอื่นเพราะ น, นั้นไม่ น, นั้นไม่ใช่ตาทิพย์จริงนะเพราะตาทิพย์จริงต้องมองเห็นกิเลสของเราก่อนเพราะกิเลสของเรานี่อยู่ใกล้เราที่สุดถูกไหมอ่าถ้ายังมองไม่เห็นเลยแล้วมันจริงเหรอไอ้ที่ไปมองเห็นกิเลสคนอื่นอย่างงงอย่างเนี้อ่ะ มันจะจริงเหรอขนาดกิเลสเราเองเรายังมองไม่เห็นเลยนะยังทําผิดอยู่เรื่อยๆเลยทํากิเลส น, นั้นอยู่เรื่อยๆเลยยังทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมองไม่เห็นนะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะของคนอื่นเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหเราเห็นกิเลสคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จริงหรอกเพราะถ้าจริงนะคนนี้คนเนี้ยสามารถมองเห็นกิเลสคนอื่นได้จริงได้เห็นมากกว่านั้นขี่โลภนะเห็นเลยน่ะนะดูสิ เวลามาตักอาหารก็เอาทีเยอะเยอะแล้วก็ดูสินะกระเป๋าตุงมหมดเลยแหมไม่เห็นกระเป๋าแฟบบัทีนะกระเป๋าตุ้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นคนอื่นนะแต่พอของตัวเองนะโอ้โหกระมังพูนเลยนะเจ็บเต็มเลยเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันไม่จริงหรอกถึงบอกว่าเห็นกิเลสของคนอื่นก็เห็นไม่จริงนะเห็นไม่ถูกต้องเพราะเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นกิเลสเราก่อน ถ้าเราเห็นกิเลสเราชัดเจนเรารู้เลยโอ้ความโลภมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้เราทำไมช่างโลภอย่างนี้เพราะเห็นอย่างนี้แหละคราวนี้พอเวลาเราเห็นคนอื่นแล้วมันถึงจะไม่เที่ยวไปเพ่งโทษใครต่อใครเขาแต่ถ้าไม่จริงนะพอไปเห็นแบบนี้ปั๊บเอาเลยจิตมันจะโอ้โหถือสาเพ่งโทษเพราะมันมองแต่กิเลสคนอื่นคือไม่ได้คอยมองกิเลสตัวเองเลยฉะนั้นคนที่บางทีเนี่ยแก้นิสัยเพ่งโทษไม่ได้ หรือแก้ความคิดที่เรารู้สึกเราอักขติกับใครเขาเนี่ยเวลาไปเห็นไอ้หนุนเห็นไอ้นี่ก็เพราะว่าเรามักจะเห็นแต่ของคนอื่นเขาทั้งนั้นเลยเห็นความผิดของคนอื่นเห็นความไม่ถูกต้องของคนอื่นแต่พอความผิดของเราหรือความบกพร่องของเราเองเรามองไม่ค่อยเห็นเพราะคนที่ไม่ค่อยมองกิเลสหรือความบกพร่องของตัวเองให้เห็นได้เนี่ยนะคนนั้นเนี่ยก็เลยมักที่จะเล่นงานคนอื่นเขาอยู่เรื่อย พรพอเวลาคนอื่นเขาทาผิดอะไรมาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเห็นใจหรือเราจะไม่รู้สึกสงสารเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ผิดอย่างนั้นนี่เพราะเราเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะนั้นพอเห็นคนอื่นเขาทำทำผิดแล้วเราจะรู้สึกว่าแหมบางทีอยากจะจัดการนะ่าอยากจะให้เขาดีอ่ะอยากแค่เ้าดีอย่างงั้นดีอย่างงี้แล้วก็โอ้โหเล่นงานเขาน่าดูแต่ลองไปสังเกตดูนะ ถ้าเราเนี่ยเคยผิดเคยบกพร่องอะไรมาแล้วเราก็จับกิเลสเราได้โอ้โหกว่าเราจะแก้กิเลสเรานะกว่าจะสู้ชนะกว่าจะผ่านมาได้นี่นะโอ้โหเรารู้เลยเลือดตาแทบกระเด็นพอคราวนี้เราไปเห็นคนอื่นก็ทําผิดอย่างนั้นบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกเห็นใจเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยมันจะเกิดจิตอย่างนี้เพราะฉนั้นมันจะไม่เป็นลักษณะเพ่งโทษแต่มันรู้ว่าเออทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น อันนี้แหละมันจะลดมันจะลดไอตัวเพ่งโทษคนอื่นได้นะอันนี้คือตาทิพย์ส่วนหก็คืออาสวัคยาญาณอาสวัคคยาญาณคือคือความรู้แจ้งว่ากิเลสเนี่ยหมดแล้นะมีญาณที่จะรู้อันนี้อาสวัคคยาญาณอันนี้เป็นตัวจบนั่นเองเป็นตัวสุดท้ายเพราะคนเราเนี่ยเห็นกิเลสกันแล้วได้ยิน แยกแยกกิเลสแล้วก็แล้วหน้าตาทิพต์มีใจทิพต์มีอะไรหมดแล้วทุกอย่างแล้วโอ้โหสู้กีิเลสก็แล้วอะไรก็แล้วผลสุดท้ายคือต้องรู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะเมื่อเราชนะแล้วต้องรู้ว่าเราชนะเนี่ยแหละคือตัวจบคือตัวสุดท้ายถ้าใครเนี่ยสู้กี่เลสไปแล้วสู้แล้วสู้แล้วไม่เคยรู้ผลเลยว่าตัวเองสู้ไปแล้วนี่มันเป็นยังไง นะถ้าอย่างนี้แล้วเอ๊ะจะรู้ได้ยังไงว่ากินเลนหมดหรือเปล่าหรือว่ายังไม่หมดอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าไม่ยกตัวอย่างคงจะเข้าใจยากนะต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยเลิกจากเนื้อสัตว์แล้วมากินมังสวิรัตได้เคยรู้ไหมว่ากินเลนเรื่องเนื้อสัตว์ที่เราเคยติดอยู่เคยกินมาตั้งนานเนี่ยหมดแล้วจริงหรือเปล่า อาสวัคยญาญเหรอยังฮะถ้าคนที่ไม่เคยสํารวจตัวเองนะไม่เคยสํารวจผลที่ตัวเองฝึกมาหรือว่าปฏิบัติมาก็เหมือนกับคนที่มาอยู่กับอโศกเราเขากินมังสวิรัติกันเราก็กินตามเขาเขากินมื้อเดียวเราก็กินมื้อเดียวตามเขาแต่คนนี้ไม่เคยตรวจดูเลยว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ที่แต่ก่อนเนี้ยตัวเองเคยติด เคยอร่อยเนื้อสัตว์มาเอ๊ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ไม่เคยสํารวจเลยก็กินไปตามเขาอย่างนั้นนะแล้วก็กินได้ด้วยนะทําได้ด้วยแต่คนนี้ไม่มียานที่จะรู้ว่าหมดแล้วหรือยังจบแล้วหรือยังค่ากิเลสตัวนี้ได้อะไรอะ่ะจากรถมาเหลือนิดนึงจนกระทั่งเหลือหน่อยนึงจนกระทั่งหมดไปเนี่ยคนเนี้ยรู้ไหมอันนี้ ถ้าตาบดคนนี้ไม่รู้นะบอกแล้วมันทำตามเข้าไปเท่านั้นเองแต่กิเลสที่มีอยู่อาจจะยังมีอยู่เท่าเดิมเข้าใจนะอาจจะไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยเพียงแต่คนนี้ไม่ได้เป็นึกถึงมันเท่านั้นเอง